ที่ประสูตธาตุญาณอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามได้ยินเสียงสองชนิดคือหนึ่งเสียงทิพสองเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์คนเป่าสังที่แข็งแรงจะพึงยังคนให้รู้ตลอดทิศทั้งสี่โดยไม่ยากแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกัน <ersch> ได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวุกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู <utilizz ates> ้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือหนึ่งเสียงทิพย์สองเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วได้ยินเสียงสองชนิดนั้นแลสาวกทั้งหลายของเราเป็นอันมาก จึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภินยาและอภินยาบา ร, รมีอยู่ 5. เจโตปริย า, ยานอีประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตาม กำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ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 หรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพน้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบการแต่งตัวเมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกใสสะอาดหรือในภาชนะน้ำใสหน้ามีฝฟฟฝ้าก็รู้ว่ามีฟฝฟฟ้าหรือไม่มีไฟฟ้าก็รู้ว่าไม่มีฝฟฝ้าแม้ฉันใด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 เพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วรู้จิตผู้อื่นนั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภินยาและอภินยาบา ร, รมีอยู่ 6. ปุกเพนิวาสานุสติญาณ อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้าง ตลอดสังวาตรกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวาตรกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวาตรกับและวิวาตรกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันณะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโนนแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันณะมีอาหาร เสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้คนจากบ้านตนไปบ้านอื่นแล้วจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีกเขาจากบ้านนั้นกลับมายังบ้านเดิมของตนระลึกได้อย่างนี้ว่าเราได้จากบ้านตนไปบ้านอื่น ในบ้านนั้นเราได้ยืนนั่งพูดนิ่งเฉยอย่างนั้นอย่างนั้นเราได้จากแม้บ้านนั้นไปยังบ้านโน้นแม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนนั่งพูดนิ่งเฉยอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วกลับจากบ้านนั้นมายังบ้านเดิมของตนแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ที่เราบอกแล้วย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างและถึงเธอะลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วระเลึอกชาติได้นั้นแหลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบรารมีอยู่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 วจีทุจริตและมนูทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแต่หมูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมนุสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทากรรมตามความเห็นชอบ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 รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมและถึงเพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วเห็นสัตว์กำลังจุติกำลังเกิดนั้นแหละสาวกทั้งหลายของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญยาและอภิญยาบารมีอยู่ อยาวะยานอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสระน้ำใสสะอาดไม่ขุนมัวบนยอดภูเขาคนมีตาดียืนที่ขอบสระนั้นเห็นหอยโขงและหอยกาบ ก้อนโกรดและก้อนหินหรือฝูงปลากำลังแหวกว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสระนั้นก็คิดอย่างนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุนมัวหอยโข่งและหอยกาบก้อนโกรดและก้อนหินหรือฝูงปลาเหล่านี้กำลังแหวกว่ายอยู่ก็มีหยุดอยู่ก็มีในสระนั้นแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแกสาวกทั้งหลาย สาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมทาให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วรู้แจ้งวิมุต t นั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภินยาและอภินยาบา ร, รมีอยู่นี้แล เป็นธรรมประการที่หซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักระเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักระเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่อุทายีทำห้าประการนี้แลเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักระเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักระเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว สกุลุทายีปริภาชกมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาสกุลุทายีสูตรที่เจ็จบ สมณะมุนทิกะสูตรว่าด้วยปริพาโชคชื่ออุคหาหมานะสมณะมุนทิกาบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเจตวันอารามของอนาถปิณกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแหลปริพาโชคชื่ออุคหาหมานะสมณะมุนทิกาบุตร กับปริภาชกประมาณ500อคนพร้อมด้วยปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่อาศัยอยู่ในอารามของพระนางมณิกาเทวีชื่อเอกสาลาซึ่งแวดล้อมด้วยต้นมะพร้าบอันเป็นที่ประชุมแสดงลัทธิครั้งนั้นช่างไม้ชื่อปันจากกังคะออกจากกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่ยังวันได้คิดว่า บัดนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเล่นอยู่บัดนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายผู้บําเพ็ญเพียรทางใจภิกษุทั้งหลายผู้บําเพ็ญเพียรทางใจยังหลีกเล่นอยู่ทางที่ดีเราควรเข้าไปหาอุคาหามานะปริพาชกสมณะมุนิกาบุตรที่อารามของพระนางมลิคาเทวีชื่อเอกสาลา ซึ่งแวดล้อมด้วยต้นมะพร้าบอันเป็นที่ประชุมแสดงลัตทิลำดับนั้นช่างไม้ชื่อปั้นจากกังคะจึงเข้าไปหาอุคคาหมานะริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรถึงอารามของพระนางมัลิกาเทวีชื่อเอกซาลาซึ่งแวดล้อมด้วยต้นมะพร้าบอันเป็นที่ประชุมแสดงลัทิ เดรชานคถาสมัยนั้นอุกคามานะปริพาชกสมณมุทิกาบุตรกําลังนั่งสนทนาอยู่กับปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ผู้กําลังสนทนาถึงเดรชานคาถาต่างๆด้วยเสียงดังอื้ออึงคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องไัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ําเรื่องผ้าเรื่องที่นอน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 อุคาหมานะปริพาชกสมณะมุนทิกาบุตรได้เห็นช่างไม้ชื่อปันจักกังคะกำลังเดินมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดเงียบหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึงนี้คือช่างไม้ชื่อปันจักกังคะผู้เป็นสาวกของพระสมณะโคดมกำลังเดินมาท่านเป็นสาวกคนหนึ่งบรรดาสาวกของพระสมณะโคดมผู้เป็นครหัด นุ่งขาวห่มขาวผู้อาศัยอยู่ณกรุงสาวัตถีท่านเหล่านั้นชอบเสียงเบาแนะนำให้พูดกันเบาเาสรรเสริญคุณของคนที่พูดเสียงเบาบางทีช่างไม้ชื่อปัญจกังคะทราบว่าบริษัทเสียงเบาท่านอาจจะเข้ามาหาก็ได้ลำดับนั้นปริพาชกเหล่านั้นจึงได้พากันนิ่ง วาทะของปริภาชกลำดับนั้นช่างไม้ชื่อปัญจกกังคะได้เข้าไปหาอุคคาหมานะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรอุคคาหมานะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรได้กล่าวกับช่างไม้ชื่อปันจกังคะว่าช่างไม้ เราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการว่าเป็นผู้มีคุศลเพียรพร้อมมีคุศลยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้ธรรมสประการอะไรบ้างคือบุคคลในโลกนี้ 1. ไม่ทํากรรมชั่วทางกาย 2. ไม่กล่าววาจาชั่ว 3. ไม่ดําริความดําริชั่ว 4. ไม่ประกอบอาชีพชั่วช่างไม้เราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แล้วว่าเป็นผู้มีคุศลเพี่พร้อมมีคุศสยอดเยี่ยมเป็นสมณนะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้ลำดับนั้นช่างไม้ชื่อปันจกกังคะไม่ยินดีไม่คัดคา้านพาสิ ข, ของอุคคาหมานะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตร ลูกจากอาสนะจากไปด้วยคิดว่าเราจะรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพาสิทธินี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเด็กกราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอุคคาห์มานะปริภาชกสมณะมุนทกาบุตรให้พระผู้มีพระภาคฟังทั้งหมดเมื่อช่างไม้ชื่อปัญจกกังคขะกราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าช่างไม้เมื่อเป็นอย่างนี้เด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่ก็จะเป็นผู้มีกุศลเพียิพร้อมมีคุศสยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้แท้จริงเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้แต่กายก็ยังไม่รู้จักจกทากรรมชั่วทางกายได้ที่ไหนเล่านอกจากจะมีเพียงอาการนอนดิ้นรน เด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้แต่วาจาก็ยังไม่รู้จักจากกล่าววาจาชั่วได้ที่ไหนเล่านอกจากจะมีเพียงการร้องไห้เด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้แต่ความดมริก็ยังไม่รู้จักจากดมริชั่วได้แต่ที่ไหนเล่านอกจากจะมีการส่งเสียงร้องเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้แต่การเลี้ยงชีพก็ยังไม่รู้จักจากเลี้ยงชีพชั่วได้ที่ไหนเล่า นอกจากการดื่มน้ำนมของมานดาช่างไม้เมื่อเป็นอย่างนี้เด็กอ่อนที่ยังนอนงายอยู่ก็จะเป็นผู้มีกำลังเพียบพร้อมมีคุศสยอดเยี่ยมเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้ช่างไม้เราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการว่ามิใช่ผู้มีคุศสเพียรพร้อมมิใช่ผู้มีคุศลยอดเยี่ยม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 เราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แล้วว่ามิใช่ผู้มีคุศลเพีย่พร้อมมิใช่ผู้มีคุศลยอดเยี่ยมมิใช่สมณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้แต่บุรุษบุคคลนี้ยังดีกว่าเด็กอ่อนที่นอนงายอยู่บ้างช่างไม้เราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการว่าเป็นผู้มีคุศลเพีย่พร้อม มีกุศลยอดเยี่ยมเป็นสมนณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้เซขธรรมเรากล่าวว่าข้อที่ศีลเหล่านี้เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้ เรากล่าวว่าข้อที่ศีลเป็นอกุศลมีสมุดฐานมาจากจิตนี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อท sal sure ี่ศีลเป็นอกุศลดับไปโดยไม่เหลือในที่นี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่า ข้อที่ศีลเหล่านี้เป็นกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ศีลเป็นกุศลมีสมุดฐานมาแต่จิตนี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ศีลเป็นกุศลดับไปโดยไม่เหลือในที่นี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ความดำริเหล่านี้เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ความดำริที่เป็นอกุศลมีสมุดฐานมาแต่จิตนี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ความดำริที่เป็นอกุศลดับไปโดยไม่เหลือในที่นี้ เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดําริที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ความดําริเหล่านี้เป็นกุศลเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เรากล่าวว่าข้อที่ความดําริเป็นกุศลมีสมุทฐานมาแต่จิตนี้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 คตธรรมว่าด้วยศีลศีลที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไรคือกายกรรมที่เป็นอกุศลวจิกรรมที่เป็นอกุศลการเลี้ยงชีพที่เป็นบาปเหล่านี้เราเรียกว่าศีลที่เป็นอกุศลศีลที่เป็นอกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นสมุทฐานคือแม้สมุทฐานแห่งศีลที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้ว สมุทฐานแห่งศีนนี้ควรกล่าวว่ามีจิตเป็นสมุทฐานจิตดวงไหนเล่าแท้จริงจิตมีหลายดวงมีหลายอย่างมีหลายประการคือจิตที่มีราคะจิตที่มีโทสะและจิตที่มีโมหะศีนที่เป็นอกุศลมีจิตเหล่านี้เป็นสมุทฐานศีนที่เป็นอกุศลเหล่านี้ดับไปโดยไม่เหลือในที่ไหนคือแม้ความดับแห่งศีลที่เป็นอกุศลเหล่านั้น เราก็ได้กล่าวไว้แล้วภิสษุในธรรมวินัยนี้ละไกทุจริตเจริญไกายสุจริตละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตละมนโนทุจริตเจริญมนโนสุจริตละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะศีลที่เป็นอคุสลเหล่านี้ดับไปโดยไม่เหลือในธรรมเหล่านี้ผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่า ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นอกุศลคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างชันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นสสร้างชันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว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 บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นอกุศลศีลที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรคือกายกรรมที่เป็นกุศลวจีกรรมที่เป็นกุศล และแม้อาชีวะอันบริสุทธ์ก็รวมอยู่ในศีลเหล่านี้เราเรียกว่าศีลที่เป็นกุศลศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นสมุดฐานคือแม้สมุดฐานแห่งศีลที่เป็นกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วสมุดฐานแห่งศีลนี้ควรกล่าวว่ามีจิตเป็นสมุดฐานจิตดวงไหนเล่าแท้จริงจิตมีหลายดวงมีหลายอย่างมีหลายประการ คือจิตที่ปราศจากราคะที่ปราศจากโทสะและที่ปราศจากโมหะศีลที่เป็นกุศลมีจิตเหล่านี้เป็นสมุทฐานศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้ดับไปโดยไม่เหลือในที่ไหนคือแม้ความดับแห่งศีลที่เป็นกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วภิสษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลแต่หาใช่มีเพียงศีลก็พอ ยังจะต้องรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์ตามความเป็นจริงซึ่งเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งศีลที่เป็นกุศลเหล่านั้นบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นกุศลคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น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 บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นขุศลเซขธรรมว่าด้วยความดำริความดำริที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไร คือความดําริในกามความดําริในพยาบาทความดําริในการเบียดเบียนเหล่านี้เราเรียกว่าความดําริที่เป็นอกุศลความดําริที่เป็นอกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นสมุดฐานคือแม้สมุดฐานแห่งความดําริที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วสมุดฐานแห่งความดํารินี้ควรกล่าวว่ามีสัญญาเป็นสมุดฐานสัญญาประเภทไหนเล่า แท้จริงแม้สัญญาก็มีมากมีหลายอย่างมีหลายประการคือสัญญาในการสัญญาในพยาบาทสัญญาในการเบียดเบียนความดำริที่เป็นอคุศลมีสัญญาเหล่านี้เป็นสมุดฐานความดำริที่เป็นอกุศลเหล่านี้ดับไปโดยไม่เหลือในที่ไหนคือแม้ความดับแห่งความดำริที่เป็นอกุศลนั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้ว ภิกษุในธรรมวินัยนี้สังัดจจากกามและอคุสนธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ซึ่งเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งความดำริที่เป็นอคุศลบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริที่เป็นอกุศลคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างชันทะ พยายามปรารบความเพียนประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นสองสร้างชั้นทะละถึงเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วสามสร้างชั้นทะเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสี่สร้างชั้นทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิต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 ความด âm ริที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรคือความดําริในเน่ฆัมมะความดําริในความไม่พยายาทความดําริในความไม่เบียดเบียนเหล่านี้เราเรียกว่าความดําริที่เป็นกุศลความดําริที่เป็นกุศลนี้มีอะไรเป็นสมุทฐานคือแม้สมุทฐานแห่งความดําริที่เป็นกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วสมุทฐานแห่งความดํารินี้ควรกล่าวว่า มีสัญญาเป็นสมุดฐานสัญญาประเภทไหนเล่าแท้จริงแม้สัญญาก็มีมากมีหลายอย่างมีหลายประการคือสัญญาในเน่ฆัมมะสัญญาในความไม่พยาบาทสัญญาในความไม่เบียดเบียนความดําริที่เป็นกุศลมีสัญญาเหล่านี้เป็นสมุดฐานความดําริที่เป็นกุศลเหล่านี้ดับไปโดยไม่เหลือในที่ไหน คือแม้ความดับแห่งความดำริที่เป็นกุศลนั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วเพราะวิตกวิจาร์สงบรงงะงับไปภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานอยู่ซึ่งเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งความดำริที่เป็นกุศลเหล่านี้บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดาริที่เป็นกุศลคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างฉันทะพยายามปราลบความเพียนประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น 2. สร้างฉันทะละถึงเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 3. สร้างฉันทะเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. สร้างฉันทะพยายามปราลบความเพียนประคองจิต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 อาศัย ร, ร่ะสิบประการช่างไม้เราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสิบประการไหนว่าเป็นผู้มีคุลสมบูรณ์มีคุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นอเศขคะ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะที่เป็นอเศขะ 3. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจาที่เป็นอเศขะ 4. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะที่เป็นอเศขะ 5. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะที่เป็นอเศขะ 6. <fish festivals> 4, เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวายามะที่ 4, เป็นอเศขะ 7. เ ป, ป 7. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสติที่เป็นอเศขะ 8. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสมาธิที่เป็นอเศขะ 9. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาญาณะที่เป็นอเศขะ 10. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวิมุตติที่เป็นอเศขะเราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลว่าเป็นผู้มีคุศลเพียรพร้อมมีคุศผลยอดเยี่ยม เป็นสมณะผู้บรรลุธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุไม่มีใครสู้วาทะได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัพยาสิตนี้แล้วช่างไม้ชื่อปัญจ ก, กังคะมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสมณะมุนทิกะสูตรที่8ปดจบ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 อันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยูงครันเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสดด็จเข้าไปบินทบาทยังกรุงราชครือลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริว่ายังเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบินทบาทในกรุงราชครือทางที่ดีเราควรเข้าไปหาสกุลุทายีปริพาชกจนถึงอารามของปริพาชก อันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยูงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปจนถึงอารามของปริพาชกอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นนกยูง